บทอุเทศถ้าเอาแต่บทกายเวธนาจิตท ร, ร ม, มาส่วนบทอุเทศท่านพูดถึงกาย <c oughs> สติปัฏฐานนี่มันเป็นบทสำหรับมาปฏิบัติเพื่อระ ง, งับดับกิเลสดับตัณหาอย่างแท้จริงกิเลสมันพาดพิงมาที่กายพาดพิงมาที่เวทนาพาดพิงมาที่จิตพาดพิงมาที่ธรรม เลยเอาอารมณ์ที่เป็นกายเป็นเวทนาเป็นจิตเป็นธรรมนี่แหละมากำกับมากำกับกับผู้รู้ของเรางานที่เป็นพื้นฐานก็คืองานใช้สติมาตั้งสติกำหนดจดจ่อพิจารณาเป็นการปลุกปลุกจิตของเราให้ตื่นจิตของเราทำาไมปลุกไม่ตื่น แต่เวลาเราเจริญระยะแรกเนี่ยเราก็เจริญบทพุทธานสุสติพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธเจริญอารมณ์สมถะเจริญอารมณ์สมถะนี้ทําให้ใจได้รับความสงบทําไมท่านจึงว่าอารมณ์ของสมถะมหาสติปัฏฐานทั้งสี่นั้นเป็นอารมณ์ของวิปัสนาสมถะ อารมณ์ของสมถะคือพุท ธ, ธานุสติแม้แต่อารมณ์ของวิปัสนาเราเอามาบริกรรมให้เป็นหนึ่งเดียวมันก็เป็นอารมณ์ของสมถะ ม, มันเป็นอารมณ์ของสมถะโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมถะเอ่ยวิปัสนาเอ่ยท่านก็แยกมาพูด แต่เวลาทำไปแล้วมันเป็นงานทำมาที่ใจของเราเราตั้งมาที่กายของเราเราก็ลมาหายใจเข้าพุทหายใจออกโธ่ให้มันอยู่กับเรามันเดียวให้ใจสงบปกติใจของเรามันไม่สงบเราสังเกต ด, ดูดิเรานั่งภาวนาเราสังเกต ด, ดูใจของเรามันสงบไหมมันอยู่ไหม ใจคืออะไรใจคือผู้รู้ที่เรามีอยู่เนี่ยแต่มันจับไม่ได้เนี่ยแต่ปากนี่พูดถึงได้ใจผู้รู้ใจผู้รู้แต่มันไม่ให้ปากไอ้ที่ปากพูดเนี่ยใจคือผู้รู้มันไม่สงบ ทำไมถึงไม่สงบเพราะมันหิวอารมณ์ใจมันหิวท่านจึงให้ทำให้ใจอิ่มทำให้ใจอิ่มก็คือเอาอารมณ์ที่เป็นธรรมมาป้อนป้อนให้ใจอิ่มพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธคืออารมณ์ที่เป็นธรรมคาว่าพุโทโธนี่คืออารมณ์ที่เป็นธรรม มีสติบังคับให้จิตอยู่กับอารมณ์เดียวเนี่ยเอาสติเนะี่ยบังคับจิตเราบังคับได้ภาคเหตุภาคมรรคเราบังคับได้แต่ภาคผลเราบังคับไม่ได้ <c oughs> ภาคผลเป็นอย่างเราคาดเราเดาต้องการให้จิตสงบอย่างนี้สงบอย่างนั้นลองหัวภาพอย่างนั้นอย่างนี้บังคับไม่ได้คาดไม่ได้เดาไม่ได้ เดาก็เป็นผลของเดาคำว่าคำว่าเดาก็คือคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอาคาดคาดเดาเดาแล้วก็ยึดเอามันไม่ใช่ของแท้เป็นของปลอมแต่ถ้าผลดาใดๆที่เกิดขึ้นจากจากการที่เราตั้งใจทาเหตุให้เต็มที่อันนั้นคือผลผลเกิดขึ้นเองผลเกิดเองความสงบเกิดเอง แต่ต้องหลังจากอบรมมัดให้เต็มที่เขาจึงจะสงบได้ใจของเราเนี่ยแหละมันหิวอารมณ์ใจคือผู้รู้คือทารู้มันเป็นผู้ดูแลกํากับควบคุมกายนี่แหละอะ <c oughs> ใจเนี่ยมันค ว, ค, วควบคุมกายอันนี้แหละมันดูแลกํากับควบคุมกายกายเนี่ย กายก็คือที่เราเห็นนี่แหละเป็นหัวเป็นแขนเป็นลําตัวเป็นขาเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยสูงๆยายา ว, ยาวนี่แหละกายถ้าในบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเนี่ยมันเป็นพุทธานุสติถ้าจะว่าไปแล้วมันก็เป็นอารมณ์ของจิต เป็นอารมณ์ที่ตริขึ้นในภายในจิตที่เทรียก ว, ว่าอารมณ์ของธรรมอารมณ์ของธรรมเราเรียกอีกอย่างหนึ่งนี่แหละคืออารมณ์ของธรรมกายเวทนาจิตธรรมพุทธา น, สนุสติเป็นอารมณ์ของธรรมแต่เราไม่เราไม่ได้ดูตามที่มันยักย้ายผันแปรดูนี้สังเกตเหตุนี่จับผลตัวนี้ สังเกตผลตัวนี้แล้วย้อนมาที่เหตุตัวนี้จับผลตัวนี้แล้วก็ย้อนไปที่เหตุตัวนั้นถ้าเราทำแบบนี้นี่แหละท้าเรียกว่าวิปสัสนาวิปสัสนาทำให้การทให้เกิดการรู้เกิดการเข้าใจตามความเป็นจริงของกายของเราของใจของเราดูไปแล้วก็เหมือนฟังยากเข้าใจยากแต่ของมันก็มีเท่านี้ วันนี้พวกเราตั้งใจภาวนาผู้ปั๊บครูบาอาจารย์ท่านกให้พุทโธพุพโทพโธอยู่กับอารมณ์หนึ่งเดียวนี่แหละใจเราเนี่ยเราจะจับยากเราต้องจับอารมณ์ถ้าเราต้องการจะจับใจของเราเราต้องจับอารมณ์จิตในมหาสติปัฏฐานนี้มันเป็นการพิจารณาจับอารมณ์ที่จิต พิจารณาจับอารมณ์ที่จิตมันก็เป็นจิตตานุปัสสนาเช่นอย่างเราดํมริพุทโธบุตพุทโธพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตพุทโธก็ย้อนมาดูที่จิตพุทโธแล้วก็ย้อนมาดูที่จิตอันนี้มันก็เป็นจิตตานุปัสสนาเห็นไหมมันแตกต่างกันมากไหมมันแทบไม่ต่างอะไรกันเลยสมสถะกับวิปัสสนาแท้ที่จริงก็คือผู้ทํางานคือดวงเดียวใจดวงเดียว ใจอันเดียวกันนี่แหละทำสมุทฐากับใจดวงเดียวนี่แหละทำอภิปสัสนากับใจดวงเดียวครับเอาแยกมาพูดเฉยๆเท่านั้นเองอมสมถทท่านให้ทําเพื่อให้จิตมีกําลังมีกําลังเป็นพื้นคำว่าจิตมีกําลังในที่นี้หมายความว่าจิตสงบเพราะจิตสงบนั่นคือจิต อิ่มจิตมันอิ่มจิตมันไม่หิวเราอมาภาวนาพุทธโธพุทธโธพุทธโธด้วยเหตุที่เราเคยปล่อยเขาจนชินเขาก็โดดไปนู้นโดดไปนี้โดดไปนึกรักนึกชังนึกโกรดนึกเกลียดนึกถึงงานที่ทำติดไม้ติดมือมานึกถึงเรื่องราวที่มันติดติดจิตจิดใจมา จิตมันเป็นอิสระที่มันจะนึกจะคิดไปตามเรื่องของมันแต่สติตัวสติตัวนี้เนี่ยพอเราสร้างขึ้นมาปุ๊บมันเป็นตัวที่ชัดเจนที่สุดมาตัดอารมณ์เกา่าอารมณ์เก่าที่เคยมียพอเราสร้างสติขึ้นมาปั๊บพอสติโโรขึ้นมาเนี่ยจับอยู่กับอารมณ์อะไรอารมณ์ใหม่อารมณ์เกา่าก็หลุดไปจับอารมณ์ใหม่อารมณ์เกา่าก็หลุดไป อาศัยว่าอารมณ์ใหม่มันฟอกอารมณ์เก่าอารมณ์เก่ามันก็ต่อเนื่องมาที่อารมณ์ใหม่อารมณ์ใหม่มันก็ฟอกอารมณ์เก่ามันเป็นขณะของใจขณะอารมณ์หนึ่งเกิดขึ้นก่อนอขณะเกิดที่หลังก็ตัดอาบขณะอารมณ์ก่อน เราสังเกตดูดิพิจารณาดูที่ใจของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราเราใช้สติกําหนดจดจอ่อจับมาที่จิตของเราเนี่ยไม่เชื่อเราลองพยายามกำหนดพิจารณาจับดูจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับขยับปั๊บจับใช้ตัวสติตัวสัมผัสจัญญาตัวเนี้ตัวคล่องตัวตัวนี้นจับแต่ตัวกําลังสองตัวนี้นะครับเราต้องฝึกเราต้องซ้อมอ เพมันแน่นหนามันคงเพราะฉะั้เราทาประโยชน์ได้ทั้งสมถะทั้งวิปัสนาให้อยู่กับอารมณ์มันเดียวให้จิตอิ่มเมื่อจิตอิ่มแล้วจิตมีกำลังมันมีกำลังที่เราตุนเอาไว้ร่างกายของเรามันหิวเพราะมันไม่อิ่มจิตของเราหิว ก็เพราะว่ามันไม่อิ่มแต่การไม่ไม่อิ่มของจิตนั้นน่ะมันเป็นการไม่อิ่มด้วยตัณหาตัณหามันพาให้หิวแต่การไม่อิ่มของกายหมายความว่ากายมันบกพร่องธาตุที่มันไปบดไปย่อยเช่นอย่างท้องเราหิวเราว่าท้องหิวครือหรื อ, ร อ, รอกายเราหิวเราก็บอกบริโภคกินข้าว รับทานอาหารวานทีอิ่มเป็นปกติธรรมดารับทานไปจนอิ่มก็คืออิ่มในขณะที่อิ่มเราใส่ไปเรื่อยตั้งแต่หนึ่งคำเริ่มอิ่มไปเรื่อยๆ2องคำสามคำสี่คำสิบคำพวกเรารับทานกันก่อนันอกกี่คำถึงจะอิ่มเคยนับไหมรับเรารับทานจนอิ่มเพราะอิ่มแล้วมันใส่เข้าไปอีกไม่ได้ มันเหมือนกับว่าของมันพร่องเราใส่เข้าไปแล้วมันเต็มตื้นเขินขึ้นมาเขินขึ้นมาเขินขึ้นมาเขินว่านมาไมใส่อีกไม่ได้นี่คือร่างกายมันอิ่มในขณะที่ร่างกายอิ่มสิ่งที่ตามมาก็คือเรามีเรี่ยวมีแรงมีกำลังเรามันไม่อิ่มเรามันหิวลองดูไม่มีกำลังอ่อนเพลียวิววิวหิว นะคือร่างกายมันหิวแต่ถ้าเราใสา่ให้อิ่มเขาก็ไม่หิวในขณะที่เขาไม่หิวนะเราก็มีแรงไปทำงานทำการแบรกหนักหามเบาอะไรได้หมดใจหิวก็เช่นเดียวกันร่างกายหิวเพราะธาตุขันของกายมันบกพร่องใจหิวเพราะว่าตันหาภายในใจมันโดด โดดดิ้นออกมาหากินมันหิวหิวอารมณ์ใจมันหิวอารมณ์ใจมันออกมาทางตานะเห็นไหมออกมาทางตามันก็ไปหิวรูปออกมาทางตามันไปหิวรูปเราเดินผ่านไปปับ๊บเรามีอะไรมาสัสมผัสตาเราปับ๊บเป็นเหตุจูงใจแอนต้องให้หันดู ตอนไปเลี้ยวกลับไปดูนั่นคือใจมันออกไปหากินนั่นหรือไหมมันไปเจอเหยื่อดีๆของมันอ่ะพอไปเจอเหยื่อดีๆน่ะมันก็สนใจจดจ่ออ ย, อยู่นั่นน่ะตามเลยเนี่ยเห็นไหมใจมันไปสัมผัสแจ๊กไปสัมผัสกับอะไรไปสัมผัสกับรูปไปสัมผัสกับรูปแต่ถ้าเราตั้งสติกำหังจดจ่ออยู่ ความชอบใจไม่มีความชังไม่มีความชอบไม่มีความรักความชังไม่มีถเราตั้งสติกำหนดจดจออยู่ความรักความชังไม่มีตัณหาไม่เกิดมันสัมผัสมาเฉยๆพอมันมาสัมผัสปั๊บมันเหมือนกับเป็นจอเป็นประตูเป็นช่องที่ทำให้ผู้รู้ของเรามันจะต้องรู้อะไรมาสัมผัสทางตาปั๊บทาให้ผู้รู้เนี่ต้องรู้ มันเหมือนมันมันผ่านผ่านช่องพอผ่านช่องมาปั๊บก็จะเห็นผ่านช่องมาปั๊บก็จะเห็นผ่านช่องมาปั๊บก็จะเห็นแต่ถ้าเราหยุดในท่าทีที่ว่าเราเจอสติเจริญมาสติเนี่ยเห็นจักถ้าว่าเห็นแต่ถ้าเราไม่เจริญสติเนี่ยนึกคิดเลื่อเปื่อยทําเรื่องธรรมดาแต่อํานาจของตัณหามันแสออกหากินเนี่ยเห็นรูปที่ดีๆสะกิจใจปับ๊บเปียกมันดูปับ๊บตามเกาะเนี่ย บางอย่างก erm like ็ติดมันก็เกาะมันก็พันมันชอบอารมณ์เป็นที่รักอารมณ์เป็นที่พอใจเนี่ยปิยโลเกสัตะรูปังปิยรูปังสัตตะรูปังเป็นที่รักเป็นที่ยินดีอารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยินดีปิยะรูปังสาตะรูปังโร คืออารมณ์เป็นที่รักเป็นที่ยินดีนี่มันออกมาทางตานะมันออกมาทางหูมันออกไปหาเสียงนั่นนั่นคืออันนั่นคือเยื่อของมันแท้ที่จริงก็คือสิ่งเหลนี้ก็คือมันเป็นวิสัยของมันตามีวิสัยไปเห็นรูปตาจะไม่ได้ยินเสียงนะหูมีวิสัยที่จะไปได้ยินเสียงแต่ไม่มีวิสัยที่จะเห็นรูป หูจมูกมีวิสัยรับกลิ่นอะไรออกไปรู้อะไรออกไปรับใจออกไปรู้ใจออกไปรับแต่ถ้าเราเจริญเจริญสติอยู่เจริญสมาธิอยู่เนี่ยความยินดีไม่เกิดความยินร้ายไม่เกิดไม่เกิดในกลิ่นนั้นไม่เกิดในรูปในเสียงในกลิ่นนั้นถ้าเราเจริญสมาธิอยู่เจริญสติอยู่ ตันหาไม่เกิดเรารู้ได้อย่างไงว่าตันหาเกิดเมื่อมันยินมีความยินดีเกิดขึ้นนั่นแหละคือตันหาเกาะเกาะที่ใจของเราแล้วตันหาเกิดแล้วมันไม่ยินดีมันก็ยินร้ายเมื่อมียินร้ายเกิดขึ้นเนี่ยแสดงว่าตันหามันเกาะมาที่ใจของเราแล้วมันจึงมาสับเปลี่ยนให้เกิดความยินดีสับเปลี่ยนให้เกิดความยินร้าย เพราะตันหานี่มันมาส่อมันมาสอหายเหยื่อที่มันชอบใจมันพอใจไม่ชอบใจมันก็ปัดทิ้งชอบใจมันก็ยึดเอายึดเอายึดเอายึดเอาชอบใจมันก็เกิดตันหาราคาขึ้นมาแสวงหากอบโกยเข้ามานี่คือตันหามันถูกชนิดนิสัยของมันถูกใจของมันถ้าไม่ชอบใจมันก็ปัดออกมันก็เตะทิ้งไปทั้งยึดเข้ามาทั้งลัก ออกไปดิคือริดเดี่ของตัณหาริดเดีของตัณหาตัณหาใ น, านมันอิสระเสรีที่จะทําอะไรตามใจชอบของมันเราพูดอย่างนี้เราก็ดูมาที่ใจของใครของเราเนี่ยนะตัณหามันมัอยู่ที่ใจของใครของเรามันพร้อมที่จะทําอะไรตามอิสระตามใจชอบของมัน <c oughs> เป็นกลิ่นเป็นรส เป็นรถเป็นโผฏฐพักคือสัมผัสนะสสะสัมผัสกายสัมนผะัสเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายลิ้นลิ้นก็คือริมรสลิมลิ้นสลับรู้รสลิ้นสลับรู้แจ้งในรนสรู้แจ้งในรสพอมันสัมผัส ป, ปั๊บเกิดความรู้แจ้งรสชาวิญญาณรู้แจ้งในรสกาย กายกายสัมผัสผลตภะคือสัมผัสสัมผัสเย็ยนสัมผัสร้อนสัมผัสอ่อนสัมผัสแข็งกายคำว่ากายในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกายทั้งดุนเนี่ยท่านหมายถึงกายยะประสาทประสาทที่กายนะเรามาจับดูตรงไหนส่วนไหนของร่างกายของเราจะทําให้เราเกิดความรู้สึกมดไตตอมตรงไหนเราจะเกิดความรู้สึก อันนั้นแหละเขาเรียกว่ากายยประสาตมันเป็นที่รับทราบใจมันรับทราบว่ากายยประสาทมาสัมผัสที่กายกายของเราทั้งหมด่ะขาสองแขนสองลำตัวหัวนี่แหละนี่กายนี่แหละสัมผัสตรงไหนสัมผัสผิวกายเลยสัมผัสผิวเราเนี่ยผิวกายผู้ที่รับรู้รับทราบคือใจใจรับรู้ใจรับทราบ เป็นกายะวิญญาณกายะสัมผัสกายะวิญญาณเสร็จแล้วก็เกิดกายะเวทนามันเวทนาคําว่าเวทนาคือเกณฑ์ที่มันกระทบทำไม่เกิดยินดีชอบใจยินร้ายไม่ชอบใจสิ่งที่ตา ม, มาคือความโกรธคือความเกลียดคือมันขัดใจมันขัดใจแล้วมันไม่พอใจมันโกรธมันเกลียด มันเตะกมันกระทึบนี่คำพูดเสริมกิริยาเ่านั้นเข้าไปใจใจนึกใจมันไม่ได้ออกมาทางตาหูจมูกลิ้นกายแหละแต่ใจมันนึกอยู่ในกายใจมันนึกอยู่ในใจของมันเองเรียกว่าธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี่คือจักรวาลของมันจักรวาลของใจของเรา จักรบาลของธาตุรู้ของเรามโนวิญญาณธาตุแปลว่าธาตุรู้ใจของเราเนี่แหละเราจะเรียกจิตก็ได้เราจะเรียกใจก็ได้เราจะเรียกมโนวิญญาณก็ได้เราจะเรียกวิญญาณธาตุก็ได้เรียกยังไงก็ได้แล้วแต่ท่านจะเรียกมันมีความหมายสื่อหรือจอเข้าไปที่ใจ ใจนึกนึกถึงถึงอะไรนึกถึงอารมณ์ที่ล่วงไปรูปมันล่วงไปแล้วเป็นสัญญาที่เราเรียกว่ารูปประสัญญาอ <c oughs> หูที่มันล่วงไปแล้วเป็นสัทธสญญทะสัญญาจมูกคันธ์ะ ส, ะสัญญาลิ้นรัศศัญญากายกายยะสัญญาอื กายสัญญามันพันกันไปหมดหละมันทํางานสัมผัสสัมพันธ์กันในในเนี้มันพันกันไปหมดเราพยายามจับงานกายกับงานใจจับไปจับไปเราจะเห็นว่ามันประสานประสานสับเปลี่ยนมาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเราเริ่มมาจับเราเริ่มมาไถ่ครวญเริ่มมานึืเริ่มมาคิดเราจะรู้จักวงจรของใจใจมันควคจรอยู่กับอารมณ์เหล่านี้ นี่แหละคือจักรวาลของมันคือโคจรของมันอืมกิเลชจะเกิดก็เกิดขึ้นจากตาหูจมูกลิ้นกายใจกิเลชจะเกิดก็เกิดขึ้นจากรูปเสียงคิตดปัฏฏะธรรมารมคิเลชจะเกิด <c oughs> ก็เกิดจากวิญญาณรู้ทางตาหูจมูกลิ้ก น, า ก, น, ก, น ก, าากายใจรู้แจ้งเกิดจากผัสสะการกระทบตาหูจมูกลิ้นกายใจ เกิดจากเวทนาสวยอารมณ์ต่างๆอยู่บนร่ากายใจทิเลืมันอาศัยสิ่งเหล่านี้เกิดแต่ห่างมันสับเปลี่ยนมันสับเปลี่ยนกันไปหมดมันสับเปลี่ยนกันเกิดอนุมาสะพันนี้ก็เกิดอันนี้ไปสปะพานอาก็เกิดอนนนนนานะไปสะพานอานะก็เกิดเกิดเกิดเกิดมันเป็นเหมือนกับสายใหญ่รากระโยองระยางสายใหญ่สายใหญ่ของรากต้นไม้อะ ไปดูรากไม้ไผ่เราดูใครเคยดูรากไม้ไผ่โยงระย่างเกาะกันเต็มไปหมดรากต้นไม้ไม้ต้นไม้ที่เป็นฝอยฝอยเนี่ยไปดูรากดูคาเงี้ยอรากต้นไม้มันระโยงระยางโยงระยางกันไปหมดคือทางคือช่องออกที่ใจตรงนี้มันจะออกออ ก, ออกมาหาออกาหาเหยื่นของมัน ใจมันเป็นวัตถุภายในเป็นวัตถุที่เรามองไม่เห็นเป็นนามอเป็นนามใจนี่เป็นนามมันไม่ใช่วัตถุคือสิ่งของแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นนามคือมองไม่เห็นมิได้ชื่อมิได้อาการปรากฏเจ้าของเท่านั้นรับรู้รับทราบมิได้อาการเขาเมันอักการเขาเมันก็คือเห็นได้ยินอ่าได้รสได้กลิน่นได้สัมผัสอืม ใจน้อมนึกเป็นธรรมารงมีทิอาการใจมีที่อาการตัณหามันเกิดมันเกิดที่ใจกายสร้างมันนะตัณหาน่ยตัณหาคือกิเลสกิเลสคือตัณหาตัณหาคืออวิชชาอวิชชาคือตัณหากิเลสตัณหาอวิชชากิเลสตัณหาอุปาทานอาสวะโอฆนี่มันเป็นชื่อเรียกของตัณหาทั้งหมด จุดใหญ่สรุปมาที่ตัณหาตัณหามีอาการให้เราดูอาการของตัณหาก็คือความอยากเรานั่งสังเกตนั่งสังเกตเรานั่งสังเกตนั่งจับความอยากในใจของเรางานเหล่านี้เป็นงานที่เราต้องมาทำมาคิดมาใครครวนมายอ้อนมาดูมาพิจารณาเราจะรู้เราจะเข้าใจ เพราะสี่เหล่านี้มันเป็นสายใยระโยงระยางทําให้ตันหาเกิดเกิดเกิดตรงนี้ดับดับตรงนี้ตัวที่เอามาทํางานเพื่อให้เกิดทันรู้เห็นการเกิดการดับของตันหาคือสติตั้งสติโโรขึ้นมามันเผลอผุดขึ้นมาปับปาป๊บปะทะปั๊บโนยกไปเลยสติกับตันหาเนี่ย สติกับปัญญากับสมาธิเนี่ยมันทำงานเป็นอันเดียวกันหมดว่าจิตของเรามีความหนักแน่นกับอะไรกับสมาธิกับปัญญาสติสมาธิปัญญาเป็นอันเดียวกันะ่ะทำงานประสานประสานกันเราจะเรียกอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เรียกทั้งหมดเรียกอะไรก็ถูกหมดเพราะมันโยงมันได้ยงระยางกันอยู่ในนี้ทั้งหมด <c oughs> นี่ ท่านจึงให้เอาใจของเรานี่มาตามพิจารณาพุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สังคานุสติือระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าคุณของพระธรรมคุณของพระสงฆ์แต่วิธีระลึกที่ครูบาอาจารย์ท่านให้เอามาทำนั้นท่านให้เอามาบริกรรม พุทโธพุทโธพุทโธหรือไม่กับทรรมโมธรรโมธรรมโมหรือไม่กับสังโฆสังโฆสังโฆจะพุทโธจะธรรมโมจะสังโฆก็ตามเพราะเวลาใจมันหยุดมันเหมือนกันหมดว่าพุทโธก็เหมือนธรมโมเหมือนสังโฆว่าธรรมโมก็เหมือนพุทโธเหมือนสังโฆว่าสังโฆก็เหมือนพุทโธธรมโมพระพุทรู้พูดเดียวคุยใจดวงเดียว ลอสังเกตสังการลองดูพิจารณาลองดูเพื่อให้ใจมันหยุดให้ใจมันอยู่ในเมื่อเราอัดเข้าไปเหมือนกระป๋อ บ, บริโภคอาหารอาหารของใจนั้นคือเราต้องบริกรับให้มันว่าซ้ําๆเหลี่ยมัก็อิ่ ม, มว่าซ้ําๆดูซ้ำๆพิจารณาซ้ำๆว่าซ้ําๆพุทโธทพุทโธมีสติกํากับอยู่ อาสติบังคับอยู่ให้มันอยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธเอาผู้รู้ของเรานี่แหละมาดำํำริคําว่าพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุทโธพรเราบริกรรมไปมากๆเข้าเหมือนกับเราเอาอาหารเข้าปากเราหนึ่งคำสองคำสามคำสิบคําบริกรรมไปเรื่อยๆบริกรรมไปเรื่อยๆมันอิ่มใจมันอิ่มเมื่อใจอิ่มแล้วเนี่ยเราไม่ต้องบริกรรมมันก็ไม่ไป แต่ที่จริงเราบริกรรมเพื่อต้องการจับให้จิตดวงนี้มันอยู่ไม่ให้มันวิ่งที่รูปวิ่งไปที่รูปที่เสียงที่กลิ่นที่รสที่สัมผัสแต่ถ้าเราบริกรรมเราอัดแน่นบังคับให้คงที่สักหน่อยหนึ่งมันก็จะเริ่มอิ่มมันจะเริ่มอิ่มจิตมีวิตกจิตมีวิจารจิตมีปีติมันจะเกิดขึ้นโดยลำดับของมันความสุขก็อยู่ในนั้นอารมณ์เดียวเอกคตารมก็คือ ก็คือนเดียวกันนั้นจิตจะสงบจิตอิ่มจิตอิ่มจิตสงบจิตอิ่มไม่ต้องไม่ต้องบริกรรมอีจิตมันก็อยู่มันไม่ไปเพราะมันอิ่มปติจิตอิ่มจิตสงบก็คือจิตอิ่อย่าลืมว่าจิตสงบนั่นคือจิตที่มีพลังจิตที่มีพลังจิตที่มีอานุภาพ จิตสงบนะมันเป็นจิตที่มีพลังเป็นจิตที่มีอานุภาพอเช่นอย่างได้ฌานสมาบัตสูงๆเขาสามารถดำดินบินบนได้นนนู่นไม่ใช่ดำดินบินบน <c oughs> <c oughs> นะดูแต่สุมเมธดาบดนะ่ะท่านเหาะไปนะนะันน่ะสมัยพุทธเจ้าของเราท่านเป็นดาบดอยู่ในป่านสมัยยังสมัยยังสร้างบา ร, รมีอยู่นะนะ่ะเป็นสุมเมธดาบด ท, ท่านเหาะไปนะนะันน่ะ ไปเห็นเขาทาทางเพื่อที่จะให้พระพุทธเจ้าพระพุทธทีปังกรน่ะเสด็จผ่านเะเห็นเขาทาอะไรฤาษีตัวนี้มาลงมาลงลองมาดูโอ้ทําทางพระพุทธเจ้าจ ะ, สะเสด็จผ่านตรงนี้ฤาษีตัวนี้ก็โอ้โชคดีแล้วได้พบพระพุทธเจ้าตั้งความปรารถนาผูจ้จะของจะได้เป็นพระพุทธเจ้าซะบ้างก็ ไปขอปั้นทางนเหมือนเหมือนเหมือนเขานั่นแหละเขาก็ปั้นปั้นปั้นปั้นทางปานกันแทเหมือนกับปานกันแทนานเนี่ยทําทางให้พระพุทธเจ้าองค์นั้นเดินน่ะปั้นไปปั้นไปปั้นไปท่านเสด็จมาอ่าใกล้จะเสร็จแล้วแต่ไม่ทําให้เสร็จนะเหลือช่องสําหรับเอาตัวเองพาดเป็นสะพานสละให้พระพุทธเจ้าท่านเดินผ่านเอาตัวเองพาดเป็นสะพาน พระพุทธเจ้าห้าร้อยพระองค์ห้าร้ยพระองค์ละหมื่นองค์ล้วนาษารวมทั้งภาษาวกด้วยเลยผ่านเพราะผ่านเส็จตายพอดีตั้งความปรารถนาตั้งความปรารถนาเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธนั่นพะพุทธเจ้าพระพุทธทีปังกรทั้งกับพยากรพยากรอติตังอดีต ตกกาอนาคตังสยานตั้งอนาสตังสยานไปโอ้เท่านั้นกลับเท่านั้นกลับเท่านั้นกลับจะได้เป็นลุเป็นสัมมาสัมพุท ธ, ธะพระโคดมชื่อว่าพระโคดมนี่เหาะมีฤทธเหาะได้เพราะอะไรไม่ได้ใส่น้ำมันเหมือนเครื่องบินนาเหาะใส่น้ำมันไปที่ใจใส่ไปที่พลังของใจ ใจมันสงบใจมันมีฤทธิ์มีเดชเขาเรียกว่ามโนมยิทธิมโนมยิทธิฤทธิทางใจไปด้วยฤทธิด้วยใจไปด้วยฤทธิทางใจนี่คือพลังของความสงบแต่ว่าความสุขเนี่ยลองทำให้สงบเราจะได้รู้ว่าโอรสชาของความสงบรสชาของความสุขและมันเป็นความสุขที่ไม่อิงความดีใจความเสียใจมันเป็นความสุขที่บริสุทธ มันเป็นความสุขที่ไม่มีอะไรมายุ่งกวนในใจของเรามันสงบไม่มีอะไรมายุ่งไม่มีอะไรมากลัวท่านจึงว่าเป็นความสุขที่บริสุทธิ์เป็นความสุขที่ไม่ไมเจือด้วยอามิตรคำว่าอามิตรก็คืออารมณ์ที่ทำให้ใจของเรายินดีพอใจเจริญอย่างสมวัตะสมวัง่ะ สมบังพอใจเงี้ยประสบผลสำเร็จโชคดีร่างกายไม่เจ็บไม่ป่วยเนี่ยมีความสุขเขาเรียกว่า อ, อิงสิ่งของอิงอารมณ์ที่จะาเรียกว่าอามิ t อามิตรอารมณ์เหล่านั้นแหละเป็นอามิตรแต่ความสงบเนี่ยมันไม่อิงสิ่งเหล่านั้นเกิดขึ้นจากการตัด รูปเสียงกิริรักโภคผลพรธรรมรมณ์ออกทั้งหมดและความสุขแบบนี้มันเป็นความสุขที่แสวงหาได้ง่ายเพียงแต่เรานั่งตั้งใจนั่งภาวนาใจสงบเท่านั้นแหะความสุขเกิดขึ้นแล้วเราไปแสวงหาความพอยใจบางทีทั้งวันวั น, ท, ท, วน ท, ทั้งวันไม่เจอทั้งเดือนทั้งปีบางทีก็ไม่เจอเจอแต่ความยุ่งยากลําบากกับนู่นกับนี่กับงานกับการกับอะไรต่ออะไรสารพัด เพลิดเพลินใจพอใจยุมย่มยิมย้ ม, ม, ม, มนิด่งน่อยพอล่อให้เราทํามันท่านั้นองแต่ความสงบนี่นั่งแป๊บเดียวบางทีสิบนาทียี่สิบนาทีจิตสงบแล้วเจอแล้วความสุขประสบความสุขแล้วนี่ความสุขทันลักที่พระพุทธเจ้าให้เสวงหาความสุขไม่มีใครปฏิเสธดอกที่ไม่ต้องการความสุขหรอเอออย่างนั้นก็ติดสุขที่แน่ ท่านยังจะต้องสอนอีกอย่างนั้นก็ติดสุขี่ท่านให้พิจารณาความสุขอีกก็สุขก็คือแค่สุขเขาเบีนาเท่านั้นเองเช่ mm hmm. นอย่างสมาธิสมาบัติเนี่ยถ้าเราติดอยู่แค่นั้นห mm hmm. ลวงปู่มันท่านว่าสมุทยัยนั่นแหละสมุทยัยสมุทยัยถ้าเราติดความสงบเหล่านั้นติดความสุขอันเกิดขึ้นจากสมาธิจากความสงบเหล่านั้นไม่เอามาพิจารณาให้เห็น ด้วยปัญญาแจ่มแจ้งด้วยปัญญานั่นติดสมาธิดวงนั้นเป็นสมุทัยจันวานี่คือนี่คือสมาธิมันเป็นสมุทย mm ัยเขาบ่าสมุทัยคือเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ปล่อยไม่ได้ละไม่ได้วาไม่ได้ยึดอยู่นั้นแหะเกาะ อ, อยู่นั้นแหละมีตัณหามีอุปาทานพาเกาะพายึดอยู่นั่นแหละเหมือนอุทกกดาบตรารดาบทท่านปล่อยไม่ได้ พระพุทธเจ้าท่านฝึกเข้าถึงรู ป, ปสมาบัติรูปสมาบัติเหมือนกันเน่ท่านปล่อยได้เพราะท่านมีปัญญาด้วยบุญญาบารมีขององค์พระองค์ปล่อยได้ในที่ที่อาจารย์ทั้งสองของท่านก็ล่วงล้าไปก็นูไปเกิดบนพรมโลกแต่พระพุทธเจ้าเข้าถึงปาริณิพานนั่นร่างกายดับจิตหมดภพหมดชาติไม่ต้องไปไหนแล้ว ไม่ต้องไปมีชั่พบมีชาติไม่ต้องไปเกิดไปเกาะไปเกิดที่ไหนอีกนี่คืองานข้างในเราพยายามศึกษามาเราเราจะเกิดความรู้เราจะเกิดความเข้าใจกระจายไปจากจุดเล็กๆไปจุดประกายเล็กๆอย่าลืมว่าความดีเกิดขึ้นจากประกายแวบเดียวปัญญาเกิดขึ้นจากประกายแวบเดียว ความสงบเกิดขึ้นจากประกายแวบเดียวอาศัยตาหูจมูกริมกายใจรูปเสียงกิรพธพระธรรมรงค์สัมผัสกันเกิดประกายชักเหมือนไม่ขีดเหมือนไฟชักเนี่ยเราต้องการไฟขีดไฟชักชักเอามือกดเอาไว้แก๊ส ฟ, ฟูออกมาไฟติดแก๊สฟูนี่เขาดักแปลงเอามาใช้ไม่ขีดเนี่ย ก็เอาอะไรต่ออะไรไปผสมกันใส่เป็นหัวไม่ขีดขีดชิบสัมผัสกันปั๊บเกิดประกายเป็นไฟขึ้นมาีมการเกิดขึ้นของธรรมเป็นอย่างนี้การเกิดขึ้นของกิเลสก็เกิดขึ้นลักษณะเดียวกันนี้แต่มันมีวิธีการแตกต่างกันเกิดอะไรขึ้นมาขยึดเกิดอะไรขึ้นมาขยึดเกิดอะไรขึ้นมาขยึดยึดมันไม่ได้ตามใจยึดมกระทุก ยึดมันไม่ได้ตามใจยึดก็ทุกข์หมายมันไม่ได้ตามใจหมายหวังมันไม่ได้ตามใจหวังมันก็ทุทุกทุกทุกทุกุกหวังไม่ให้ร่างกายเราทุกอยางลาบากกันได้แต่ร่างกายมันเปลี่ยนไปเดี๋ยวเป็นไข้เดี๋ยวเป็นหนาวเดี๋ยวเป็นนู่นเป็นนี้เดี๋ยวเป็นโรคสารพัดที่มันจะเป็นทุกใจแหละมันต้องแก่มันต้องเจ็บมันต้องตาย เราดัดไม่ได้เราแปลงไม่ได้เราแก้ไม่ได้นี่เป็นหน้าที่ที่ปัญญาจะต้องมาดูให้เห็นเราดัดไม่ได้เราแปลงไม่ได้เราแก้ไขไม่ได้พรธเจ้าท่านพิจารณาเห็นชัดเจนแล้วท่านก็ปล่อยปลงปล่อยปลงทิ้งปล่อยทิ้งปลงทิ้ปล่อยทิ้งแค่เราชะลอได้เราไม่ให้เกะไม่ได้เราไม่ให้เจ็บไม่ได้แค่เราชะลอได้เหมือนอย่างตามโรงพยาบาลต่างๆเขาชะลอ ชะลอผู้ป่วยนั่นแหละแทนที่จะตายภายในหนึ่งวันโอ้ชะลอได้ชะลอไปได้หนึ่งปีเงี้ยเอามันไปแกเอานั้นไปช่วยเอามันไปใส่แค่ชะลอได้แกเอามันไปทานี้ไปท า, านั้นไปแต้มอาหารอันนี้ไปเสิร์ฟมานั้นไปใส่แค่ชะลอได้แต่จะห้ามไม่ให้แก่นั้นเปลี่ยนไปไม่ได้ออือเหี่ยวแล้ว เนี่ยทุกเห็นไหมทุกไหมล่ะนั่นเพราะอะไรเพราะชอบใจไอ้ที่มันงามๆชอบใจติดใจนั่มันเรื่อง เ, เรื่องของตัณหาทั้งนั้นตายก็แค่ชะลอได้ท่านเอต้องการให้อยู่ถ้าที่จะตายไปใ น, นหนึ่งวันโอ้ชะลอได้ทั้งเป็นปีเงี้ยแค่ชะลอได้แต่ห้ามไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้ เพราะสิ่งที่มันเปลี่นเนี่ยมันเป็นกองสังขารมันมีเหตุมีปัจจัยของมันมันเปลี่ยนแปลงไปตา ม, มเหตุตามปัจจัยของมนอันนี่เรื่องของธรรมแล้วข้อปฏิบัติเพื่อเข้ามารู้เข้ามาเห็นต้นต่อคือสมุทยัยเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ทั้งหลายทั้งปวงในหัวใจของเราจนเป็นเหตุให้เราได้พบได้ชาติได้รูปได้ร่างได้กายได้อัตภาพเกิดขึ้นแต่ละพบแต่ละพบแต่ละชาติวิธีมันเกิดมาเกิดอย่างนี้ ในวิธีที่จะดับพระงับก็ดับพระงับด้วยวิธีวิธีนี้อืด้วยอารมณ์มาพิจารณารมกายเวทนาจิตธรรมลักษณะของมหาสิบฐานเพื่อเกิดความรู้เห็นแจ่มแจ้งเพื่อจะได้เบื่อหน่ายคลายจางปองปลดปล่อยทิ้งพระพุทธเจ้าภาษาวก พ, พระอริยสาวกท่านปล่อยไปหมดท่านทิ้งไปหมดแล้วท่านเข้าถึงบรมณสุขกหมด ถ้าถึงแล้วท่านไปอยู่ที่ไหนท่านก็อยู่ในท่านก็อยู่ในที่ที่ท่านอยู่นะ่ะดำรงตนอยู่อย่างนั้นนะ่ะเป็นหนึ่งเดียวไม่เกี่ยวกับอะไรเลยอยู่ตลอดอนันตการไม่มีการไม่มีเวลาเข้าไปเกี่ยวข้องถึงความสุขที่แท้จริงไม่ต้องมีอะไรมายึกยึกยกัยกไม่ต้องมีกิริยาอะไรที่มาก่อควนหัวใจใจสะอาดหนึ่งเดียวไม่มีอารมณ์เป็นสองไม่มี ถึงความบริสุทธิ์เต็มที่เพราะเป็นหนึ่งเดียวถ้ามีสองแสดงว่ามันไปปนกันแล้วนะ่ะถ้ามีสองถ้ามีสองก็ไม่บริสุทธิ์แล้วมีสิ่งอื่นปนเข้าไปแล้วก็ เ, เหมือนอย่างเหมือนอย่างดังเดิมของจิตของเราที่มีอวิชชาตันหามันครอบมาเพราะมันมีสองกับกิเลสตันหานเองความดื้อด้านของของจิตของเราของกิเลสตันหา เลยมาเกิดจิตญาอีกอันหนึ่งขึ้นมาลืมทุกข์ลืมโทดเข้ามาให้ได้รับสุขบ้างทุกข์บ้างทุกข์บ้างสุขบ้างสุขบ้างทุกข์บ้างเวลามีความสุขก็อิมอ่มก็ยิ้มยิ้มยิ้มย่องพอ อ, อกปล่อยใจเวลาทุกข์ก็ทุกข์ปางตายพระเจ้าสมพิจรารณาเห็นแล้วว่าโอ้มันต้องตัดให้เหลือแต่อย่างเดียวตัดให้หมดความทุกข์ออกไปหเหลือแต่ความสุขอืม แต่ไม่ใช่ว่าติดสุขติดทุกข์นะไม่ใช่วิธีการธรรมะที่พองศ์สอนเนี่ยสอนให้เราพ้นพ้นจากสุขพ้นจากทุกข์อยู่กับภาวะธรรมชาติหนึ่งเดียวเนี่ยช้าหนาผู้รู้ให้บริสุ่สุดหนึ่งเดียวอ่าพอสมควรกเวลา